29สิงหาห้าสาูเทียจะมีสติปัญญาเสียแผลมแตกฉานในพระไตรปิฎกก็ให้ทาบุญกับพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นหมด 84,000 พันพระธรรมมาการอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดจุดแท้แต่ใครจะหยิบตรงไหนจุดไหนมาพูดให้กันฟั ง, งนะกันจะต่างไม่จริงอยู่ในพระไตรปิฎก ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือให้ทาเป็นทานให้ทาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าให้ทาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือให้ทาเป็นทานคือให้เหตุผลให้ความถูกต้องให้การชี้นมของชีวิตที่ถูกต้องให้หลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นให้ถูกต้องคือหลักธรรมะ ก็ว่าทำทำคันนี่ยคือเหตุผลคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมหาที่แย้งไม่ได้หาที่คัดค้านไม่ได้จุดนั้นคือมันมีเหตุผลของเรื่องที่จะไม่มีใครที่จะคัดค้านได้เลย อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนอกคตังพุกตังเสยโยปัชา ต, ตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผ่านเมื่อภายหลังย่อมเป็นทุกข์เมื่อภายหลัง อันนี้คือหลักเหตุผ ล, ลนะะใครจะแยงแ้งเอยถึงจะแย้งก็แยง้แยงข้างๆครูๆไปอย่างนั้นอะ่ะแต่ตามที่จริงหลักเหตุผลถ้าใครทํากรรมชั่วเอียถ้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วเหมือนกับไฟเ่เราจับน้อยมันก็ร้อนน้อยถ้าเราจับมากมันมีไฟมากมันก็ร้อนมา ก, กอ่าถ้ามันมากจริงๆก็เผาตัวเองได้เหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมชั่วนะพระพุทธเจ้าอ่ะไฟ อย่าจับเฉลยดีกว่าพอจับไฟนั้นมันจะไหม้มือเราเมื่อภายหลังมันจะให้โทษกับเราอย่างมหันอันนี้คือหลักเหตุผลมาเหตุผลข้างนอกมาเหตุผลใน ห, หลักปัจจุบันหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลเหตุผลคืออะไรหนึ่งบวกหนึ 2. 2่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดไล่ไปหมด บวกไปเท่าไหร่ก็ถูกเท่านั้นเหมือนกันใครจะมาคัดค้านไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นแปถึงไม่ถูกทั้งนั้นเหมอกัหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลยถึงจะเด็กเพิ่งเกิดใหม่พูดกระถูกแต่ถ้าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเลยถึงจะเท่าแก่กชลาเรียนรู้ขนาดไหนพูดก็พูดผิดแล้ว น, นี่แหละอันนี้คือหลักเหตุผลอันนี้กูเหมือนกัน ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในปไตยปิฎกคือหลักเหตุผลและก็เมื่อวานก่อนที่จะออกไปอาจารย์หมอที่หลวงพ่อได้ไปหาหรือไปชุมกันเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรที่ตึกสัญญาคารอุตราทรเมื่อวันที่20สิสิงหาที่ผ่านมาเอาเจ้าของ บริษัทเข้ามาเซ็นสัญญานะเพื่อสั่งซื้อเครื่องมือเพราะวันนั้นรวบรวมจะถูกปัจจัยได้เป็นบางส่วนแล้วนะก็เลยเอาผู้เจ้าของเครื่องมือเข้ามาเซ็นสัญญาหนะลวงพ่อโอเข้ามาวัดมาได้นะหลวงพ่อจะไปไประชุมที่บ้านตาดไปพบกันบ้านตานะดหน้าก็เลยนัดกันไปพบที่บ้านตาดเมื่อวานนะไปก็เลยได้ไปเซ็นสัญญาเนะนะี่ยน่ะ เซ็นสัญญาตัวชื่อเครื่องมือตัวแรกคือผ่าตัดหัวใจบายพาสหัวใจแต่ตัวนี้ราคาก็ตีราคาล้านห้าแต่มาต่อรองได้ล้านสี่เมื่อวานก็เซ็นสัญญากันล้านสี่เมื่อวานเครื่องมือก็คงจะมาภายในหกสิบวันมาถึงมาถึงแล้วก็คงจะใช้ไปชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นที่พอใจเครื่องมือไม่มีอะไรเสียหายก็คงจะได้จ่ายเงิน ก็เก่งอยู่นะดีอยู่นะพู้ที่ซื้อเนี่ยก็ให้สัญญาอยู่เซ็นสัญญารับประกันอยู่สองปีนะไม่ใช่ปีเดียวนะให้สองปีนะถ้าเครื่องมือเสียหายก็บริษัทมาซ่อมให้นะก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วเมวื่อวานะยังอยู่สองเครื่องที่ตกลงกันแต่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาคือบริษัทยังไม่มาเครื่องทางทางหน้าอก เวลาผ่าหน้าอกเสร็จแล้วก็บีเครื่องทางออกเพื่อจะได้ผ่าเพื่อจะได้ทํางานหัวใจได้เพราะผ่าเสร็จแล้วมันก็ติดอยู่อย่างเก่าใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเครื่องทางออกอันนี้ก็คือสี่แสนห้าตัวจากนั้นก็มีเครื่องช่วยหายใจอีกสองตัวที่ยังไม่ได้เส็นสัญญาที่แรกตัวละหกแสนแต่พวกคณะกรรมการต่อรองได้ตัวละสามแสนงนะั้นนะ่นเครื่องมือแพทย์ต่อไม่ใช่ต่อง่ายๆนะต่อเครื่องหนึ่งเลยนะ เขาร้องหกแสนแล้วต่อสามแสนเนี่ยได้ได้เครื่องมือสองตัวนี่แหละต่อไปเครื่องมือแพทย์ก็เข้ามาประจำที่โรงพยาบาลสูงอุดรแหะแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีมีแต่หมออี่ยคุณหมอธรรมดาเทว่าแน่นหน้าอกขอั้งว่าเจ็บหัวใจอย่างนี้แบมีแต่ให้ยาไตาลิ้นอะไรรักษาอย่างนั้นแต่คราวนี้ท่าว่าตรวจดูแล้วจะต้องพาด่วน เลือดไปเลียงหัวใจไม่พอเนี่ยจะต้องพาด่วนเนี่ยก็ต้องจัดการที่โรงพยาบาลสูงอุดรเราได้แล้วทีนีพ่อหมอก็มาไปจำอ่พอาพนันหลวงพ่อก็ให้เครื่องมือเป็นครั้งแรกว่างั้นแต่ยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนเห็นในคราวนี้ก็เลยรวบรวมพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมข้าราชกาเมืองอุดร อ, อ่าช่วยกันก็รู้สึกว่าให้ความร่วมมือดีมากนะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะหลวงพ่อไป เรียกระชมพี่น้องชาวอุดรชาวตลาดขะฮาบดีใที่เมืองอุดรครั้งแรกก็คือเครื่องอุลิมปัตอุลิมปัตก็คือเครื่องส่องกล้องหามะเร็งในระยะแรกในลําไส้คือสอดเข้าไปในปากแยงเข้าไปในท้องแยงเข้าไปในลําไส้ยาวเกือบสองเมตรแยงเข้าไปนั่นแหละอันนั้นก็คือตัวหนึ่ง แต่ว่าเขาเรียกสามล้านหกนะแต่หลวงพ่อต่อลงมาได้สองล้านแปดแสนห้าหมื่นนะเซ็นสัญญากันซื้อมาแล้วตัวนั้นประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรละแต่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือภาวหัวใจเนี่ยเมื่อวานก็เซ็นสัญญาละอีกไม่นานตัวกงเข้ามาประจำการนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราจะคอยแต่รัฐบาลให้ช่วยเราถ้าพวกเราไม่ช่วยกันก่อนก็ยังไงอยู่เอบางทีเขา ช่วยมากกช่วยผิดช่วยถูกช่วยไม่ถูกจุดประสงค์ของพวกเราที่เราต้องการถ้าพวกเราเห็นว่าเออจุดนี้แหละแพทย์หมอต้องการเราก็มองอีก<ม>เราไม่ใช่ว่าจะให้หมอต้องการอะไรเราจะให้ก็ไม่ใช่เราก็ต้องมองดิมันจาเป็นมากน้อยแค่ไหนในเมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนเราก็ซื้อให้เขาถึงจะแพงหน่อยก็กัดฟันสู้ว่างั้นจะ ซื้อให้ใครถึงจะให้หมอก็จริงแต่เราก็ติดเขี้ยวติดเล็บให้หมอไงทำหมอไม่มีเขี้ยวมีเล็บทำไงหมอไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหมอก็หมดท่าเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่มีเครื่องมือจะทำแต่มีเครื่องมือขึ้นมาแล้วขอก็ททำได้เพราะเขาเคยทำมาแล้วจากที่อื่น เ, เรียนมาแล้วได้ทามาแล้วนี่แหละที่หาเครื่องมือให้หมอเมื่อวาน แต่อีกเครื่องหนึ่งก็คือยังคิดกันอยู่ตูพ่อว่ามันสามเครื่องมันยังไม่จบนะมันยังอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในใจของลูกพ่ออยู่เครื่องนี้ก็คือปอดหัวใจเทียมเนี่ยปอดหัวใจเทียมเนี่ยคือเวลาผ่าตัดหัวใจแล้วขณะที่ผ่าตัดอยางนั้นนะหัวใจหยุดเต้นพอหัวใจหยุดเต้ น, นจะต้องใช้เครื่องนี่แหละปอดหัวใจเทียมสวมเข้าไปงนั้นแ่ะ สวมเข้าไปแล้วแต่จะใ ห, ให้หัวใจเทียมทํางานต่อกนะันทำงานช่วยระยะหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์หัวใจให้มันเต้นคืนอีกพอมันเต้นคืนเดินได้ก็ถอดเครื่องปอดหัวใจเทียมออกให้หัวใจเต้นปกติ น, ะนี่แหละตัวนี้แหละยังไปได้ตัวนี้ราคาเขาพูดผ่านๆไว้ประมาณสามล้านนายหลวงพ่อก็ยังคิดคิดอยู่เหมือนกันคงจะรวบรวมกําลังอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะ อยจะได้เครื่องนี้มาใช้ในโรงพยาบาลให้มันครบสักถ้าถูกใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าถูกผี่น้องลูกหลานสุดท้ายญาติโยมใครใครก็ไม่ดีผ่พ า, พาตัดแล้วจะทํายังไงได้หมอกหมดความสามารถเพราะไม่มีเครื่องมือช่ว ย, ยผลที่สุดกับชอบตายไปเลยไม่มีเครื่องมือช่วยในช่วงนั้นนะอ้ น, นี้ ก, กวรจะมีเครื่องมือเข้ามารองรับในจุดนั้นอีกถ้าเป็นไปได้ก็ดีหลวงพ่อวานะ่ะอันนี้กําลังพูดคุยกันอยู่ ทั้งทางวัดทั้งพี่น้องประชาชนอะยังพูดพูดคุยๆุยดรวมพลังกันสักครั้งหนึ่งแต่อยากจะรู้มันกันว่าราคาที่แท้จริงนั้นคือเท่าไหร่อันนี้ก็คือช่วยพี่น้องประชาชนช่วยพวกเราหน่าแหละไม่ใช่ใครอื่นล่ะช่วยชีวิตนี่แหละถ้าจะพูดไปแล้วอันนี้คือเครื่องเป็นอยู่ของชีวิตคือปัจจัยสี่ ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งหง่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้เครื่องมือแพทย์เนี่ยจัดเข้าเป็นยาแก้โรคภัยไข้เจ็บจากนั้นก็ที่อยู่อาศัยคือบ้านกุฏิศาลาเนี่ยที่อยู่อาศัยนี่เรียกว่าปัจจัยสในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเอาไว้ว่าพวกเรามนุษย์ชาติจะเป็นพระสงฆ์ก็ตาม อนุาานสาสตร์แปอย่างนิสัยสี่อกรณียกิจสี่นิสัยสี่คือกิจที่ควรทำแต่มีสี่อย่างเลยเที่ยวบินธบาตรหนึ่งเที่ยวบินธบาตรก็คืออะไรคืออาหารเที่ยวบินธบาตหนึ่งนุ่งหม่มผ้าบางสกุลหนึ่งก็คือผ้ารุ่งหม่มอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งอันนี้ก็คือที่พักพาอาศัยฉันยารองเดื่อน้ํามูดเน่าหนึ่งอันนี้ก็คือยาแก้โรคภขยไข้เจ็บเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อพระบวชเข้ามาแล้วทั้งการสอนอนุาสาธให้แก่พระชีวิตของพระเนี่ยคืออนุาสาธสี่อย่างนี่นะเพราะท่า น, นให้พวกท่านทั้งหลาย อ, อยู่ในกรอบการเลี้ยงชีพของพวกท่านทั้งหลายเป็นที่เป็นพระนะต้องอยู่ในกรอบนอี้คือปจัจจัยสีนี้แต่สําหรับสถา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันเลยก็อย่างที่ว่าเนี่ยอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่ม ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยแต่พวกเราจะหาอย่างไงได้ก็คือต้องหาเงินเถอะการหาเงินหาเงินมาแล้วมีเงินขึ้นมาแล้วเดินซื้อได้ซื้ออาหารก็ได้ซื้อผ้านุ่งผมก็ได้ซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ เ, เครื่องมือแพทย์เข้าโรงแพทย์โรงหมอก็ได้แล้วก็ซื้อสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองก็ได้ถ้ามีเงินอันนี้คือเพราะนั้นพวกเราจึงหาเงินกันเถอะ หาเงินมาเพื่อซื้อปัจจัยสี่ให้ร่างกายของเรามีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพนะแต่หลักของพระพุทธศาสนาทน่านเองพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายนะจะเป็นพระก็าตามจะเป็นโยมก็าตามนะอย่าไป ม, วมัวเมาเดี๋จะไปหาแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวไม่ได้นะปัจจัยสี่เนี่ยถึงจะหาดีขนาดไหนทันุถนอมดีขนาดไหน ถึงจะเลี้ยงอาหารในให้ร่างกายในะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนถึงจะหาผ่านมุ่งม่นราคาแพงขนาดไหนถึงจะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนบ้านที่อยู่อาศัยซื้อจะสวยงามหรูหราขนาดไหนซื้อมาให้ร่างกายร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะยังเป็นอื่นเพราะงั้นแต่ไม่ใช่เรานะมันยังเป็นอื่นทําไมจงว่ายังเป็นอื่นเพราะว่า ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงลูกปูเสือดีขนาดไหนร่างกายนี่ยังเป็นอื่นไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายใจของเรานะ่ยคือผู้รู้เนี่ยไม่อยากจะให้ตายแต่ร่างกายนี่ก็ต้องตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปหนะ้าแต่เลี้ยงร่างกายนี่ก็ไม่ว่าการหาปัจจัยสี่แต่อย่าไปลุ่มหลงว่ะนี่แหละถูกต้องที่สุด คือหาปัจจัยสีนั้นนะถูกต้องที่สุดก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นทีเดียวควรจะหาช่องทางสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอีกเพราะจิตใจของเราเนี่ยเ อ, อเราไปค้นคว้าแล้วเราไปดูแล้วเราไปศึกษาแล้วเราได้ตัดสั้นรู้ทำแล้วที่โครนต้นโพนเราได้นั่งสมาธิเ อ, อเราได้รู้แล้วได้ตัดสั้นรู้ทีท่โครนต้นโพน่ะ ในร่างกายของเราเนะี่ยมีสองพระพุดดทธเจ้าท่านวะ่ามีสองอยู่ในนี้คือรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่พวกเราเนี่ยเห็นกันแต่รูปธรรมเลี้ยงดูปูเสือกั น, นธนุถนอมแต่รูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมนั้นไม่มีใครที่จะให้ความสนใจเพราะมองไม่เห็นแต่ตัวนั้นแหละสําคัญเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าที่เราไปค้นคว้าศึกษาดูแลใจนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญอย่างมาก ตัวน้ำมาทท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนโปุพังคมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมันตรงกันข้ามกับโลกนะทีเีิดโอภูติเาไปโค้นขวาศึกษาเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญตัวใจเนี่ยสำคัญมันเป็นหัวหน้านะถ้าใจของเราไม่ได้รับการอบรมให้ดีแล้วใจเป็นมิตรสาธิต ใจโมโหโกธาใจคิดในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วการกระทำออกไปก็ไม่ถูกต้องการพูดออกไปก็ไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิใจไม่ได้รับการอบรมใจไม่เป็นศีลใจไม่เป็นธรรมถ้าใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วสั่งกายออกไปก็ไปในทางที่ถูกการพูดออกไปก็พูดไปในทางที่ถูกไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ไม่โกหกพกลมไม่อิจฉาพยาบาดคนอื่นเขาพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละสมควรอย่างยิ่งใจจะต้องได้รับการอบรมอบรมใจนั้นจะอบรมด้วยวิธีอย่างไรอีมันมองไม่เห็นแหอมันมองไม่เห็นจะอบรมอย่างไรจึงจะอบรมได้ใจของเราพระพุทธเจ้าบอกว่ามีวิธีจากนั้นพระองค์ก็สอนเอาทำอย่างเราเนี่ยเราเนี่ยสอนใจอบรมใจเนี่ยเราได้ผ่านมาแล้ว เราได้รู้เรื่องมาแล้วปฏิบัติอย่างเราที่เราทํามาเนี่ยพระพุทธองค์ทาอย่างไรทีพระพุทธองค์บอกว่าในวันเดือนหกเพนนนั้นอ่ะที่ท่านได้อบรมใจของท่านให้ได้ตัดสูรร้ทมใจของท่านเป็นใจที่ดีใจที่หลุดพ้นจากอาสวกิเลสใจเป็นสยามผู่อใจเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิยานั้นพระองค์ทำอย่างไงพระพุทธองค์บอกว่า เรานั่งกัดสมาธินย่ที่โคลนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ลหละเป็นการอบรมใจจากนั้นอย่าให้ใจคิดไปทางอื่นอย่าให้คิดไปในอดีตที่ผ่านมาเรื่องรลวต่างๆเรื่องเรียนเรั่งซื้อเรื่อ ง, างมาค้าขายเรื่องสามีภรรยาเรื่องหูกเรื่องร้านเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่างอย่าไปคิดถึง ในขณะที่นั่งสมาธินี่และก็ไม่ต้องวางแผนอนาคตอีกเวันพุ่งนี้มาลืนนี้เราจะทําอะไรไม่ต้องคิดถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้อยู่ที่ปลายจมูกให้กําหนดลมหายใจเข้ากรัวหายใจเข้าหายใจออกกรัว่าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละวิธีการอบ ร, รมจิตเป็นอันดับแรกคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่การอบ ร, รม ขั้นตอนต่อไปอบรมขั้นนี้ยังไม่ผ่านใจของเรายัางปุ่งฟุ้งซ่านไปอยู่แปลว่าเรายัางเรียนกอไก่ยังไม่ถึงหอนหกคูก่เราจะไปเขียนหลุช้างมา้าให้เขียนว่าช้างอย่างนี้มา้าอย่างนี้วัวอย่างนี้ควายอย่างนี้แต่ขนาดกไก่เรายัางเขียนยังไม่ถูกกอไก่ขอไข่เราจะไปรู้ขั้นตอนอย่างอื่นได้อย่างไรเพราะนั้นต้องฝึกฝึกจิตใจให้สงบซะก่อนนะนี่แหละ พระพุทธเจ้าพระอ า, ารามสาวกท่านนํำทำคำสอนมาสอนพวกเราทิ้งนั่งกับสมาธินะทําจิตใจให้สงบนะทําจิตใจให้เป็นหนึ่งนะกำหนดลมหายใจเข้าออกทามันแสวบไปดึงกลับมามาหาลมอันเก่าอีกทำมันไปป้อไปดึงกลับมาอีกนี่แหละตอนที่มันดึงกลับมาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกนะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเราท่านก็เลยเอากรรมาฐานของหลวงปู่มั่น ท่านว่าให้บริกรรมสำทับเข้าอีกนะให้ว่าพุทโทเนะี่ยเพราะมันไม่อยู่เถอะเพียงกําหนดธรรมดานะ่ยมันสั บ, บไปสั บ, บมามัออกไปให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะพุทโทพุทธโธให้มีสติสัมปชัญญะในพุทธโธแต่อย่าไปกลงึงอย่าไปเกรงเอออย่าไปเพ่งมันมากนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่นั่งภาวนา เพียงจะให้รู้ให้มีสติรู้ว่าหายใจเข้าเรากับบริกรรมบกพทุทธอย่างเวลามันหายใจออกบริกรรมว่าถูกคนที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เอีคือคนไม่ตายถ้าคนตายแล้วไม่มีลมหายใจเราเพียงตัวเราไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนั่นอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าออกนะันผ่านเข้าอแล้วก็ผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกอ น, นี่แหละวิธีการ ฝึกหัดอบรมใจจากนั้นบางคนโอ้ยอบรมยากเหลือเกินครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางไว้4ี่กรรมฐานนะอันนี้คือพอประมาณนะคล้ายๆทุก่ะเครื่องเครื่องปรุงอาหารเนี่ยเชือกเชือกที่จะมัดจิตใจให้อยู่กับหลักเนี่ยเอาเราเอาไว้สี่สิบเส้น สุดแท้แต่ใครจะเอาเส้นไหนมามัดจิตมาสู่หลักเนี่ยสู่หลักก็คือจิตของเราน่ยมันถ้าเปรียบเทียกับเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายแล้วเนี่ยหลักก็คือลมปลายจมูกเนี่ยเชื่อคืออะไรคือพุทโธเนี่ยแหละคือสตินี่คือสติหลักก็คือลมปลายจมูกอวัวควายกับเหมือนกับใจของเรา แค่ any, เอาสติมัดบัวควายจนมหาหลักธ <P> ์เราจะมัดด้วยพิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างเลเชือกสี่สิบเส้นเหมือนนพุทธานุสติธรรมารุสติสังขานุสติเอีจะบริกรรมพุทโธพุทโธจะทำโมทำโมก็ได้สังโคสังโคก็ได้เนีจะว่าตายตายก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาก็ได้แล้วลึกถึงศีลก็ได้แล้วลึกถึงทานก็ได้แล้วลึกถึงเทวดาแล้วลึกถึงคุณงามความดี และเลืกถึงความสงบอุปสมานสติเ ล, ลือกถึงคุณพระนิพานที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทำใจให้ว่างกำหมดให้ว่างว่างว่างว่างในใจ อ, อย่างงั้นก็ไดอ้อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไวก้กรรมฐ า, านสี่สิบจากนั้นกะ็กะสิ้นสิบอีกเออันนี้พวกเราต้องศึกษาวเสือสี่สิบเส้นนั้นคืออะไรที่จะมัดจิตใจของเราเข้ามาหาหลักแต่หลวงพ่อ ขอแนะนําคณะรัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกท่านเวลาเราจะนั่งถ้ามันสแวบออกไปสแวบออกมานหลวงพ่อเคยแนะนําก่อพอได้ผลบางคนก็เออหลวงพ่อผมภาวนาดูแลเออได้ผลแต่แคว่วรู้แต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าใจของเราปุ่งฟุ้งไปยังไงแต่หลวงพ่อว่าให้นับดูนะเวลาเร า, าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนจิตแกจมันสะแวบไปสะแวบมามันไม่อยู่ทดลองนับดูนะ นับยังไงคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่มีสติสัมปชัญญะในการนับมันลมกระทบปลายจมูกกันนับหนึ่งแล้วเวลาหายใจออกกันนับสองเวลาหายใจเข้ากันนับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยร้อยจะกลับมานับหนึ่งมาอีกแล้วจะรู้ได้วิธีด้วยวิธีการอย่างไรที่เราจะรู้ว่าจิตใจของเราสงบหรือไม่สงบเวลาหายใจเข้าลวงพ่อบว่า เป็นเลขขี้หนึ่งเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่หายใจเข้าเป็นเลขห้าหายใจอกเป็นเลขหไปถึงร้อยคู่กับขี้คู่กับขี้ขี้กับคู่ขี้กับคู่ขี้กับคู่ไปตลอดแต่นี้ถ้ามันเผลอเนี่ยบางทีเรานับไปถึงยังไม่ถึงยี่สิชุดเลยสามไปนะถ้ามันมันใจของเรามันปรุงมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะเป็นสิบสี่ หายใจออกมันจะเป็นสิบานะแสดงว่ามันเผลอแล้วนะเอ้าไม่ได้เผอลออะไรตัวนี้เอากลับมาใหม่อีกนับหนึ่งอีกอทดลองดู่ซิเป็นยังไงนี่แหละวิธีการนั่งภาวนาฝึกขัดจิตใจ อ, อบรมจิตใจของตนเองถ้าเราเผลอบ่อยๆนะนั่งภาวนาไม่ถึงไหนนับสองสามก็เผลอแล้วไม่ถึง่สิบก็เผลอแล้วไม่ถึงยี่สิบก็เผลอแล้วไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าไว้ใจ คาว่าทําไมไม่น่าไว้ใจเพราะเราเผลอบ่อยๆอย่างเนี้ยในคนที่ขาดสติบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ผลดีเอเผลอๆด้เป็นบ้าในง่ายๆอีกเหมือนกันนะในคนที่ขาดสติมากๆเลเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอบรมทางจิตใจเอาไว้ถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองแล้วไม่เป็นบ า, าผู้ใจง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องสติสัมปชัญญะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทาให้ฝึกเรื่องสตินะให้ภาวนานะ อจากนั้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบจิตของเราไม่ปุง้งไม่ฟูไม่ซสานไม่หิวไม่หวยวนะจากนั้นก็พิจารณาทางวิปัสสนาแหละใช้ปัญญาพิจารณาอะไรนี่แหละอันนี้เราค่อยศึกษาทีไหนทางวันหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกกว้างขวา ง, วางตัวนี้หลวงพ่อจะไม่ได้ฉันอาหารเลยลว้วันนี้ว่างั้นเถอะถ้าอธิบายเรื่องวิปัสสนาไปแล้วนะเพราะนั้นเรื่องสมถะเนี่ย เนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องสมาถาวะวันั้นเนี่ยคือการอบรมจิตใจเป็นขั้งแรกอันดับแรกเนี่ยเป็นกุญแจดอกแรกเนี่ยที่จะอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเนเพราะนั้นขอให้คณะสัตย า, ญญาติโยม ท, ทุกท่านนะถึงจะมีการทำมาหาเลี้ยงชีพก็อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไวนะ้นั่นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายของเราเนี่ย ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไหลไปตามสภาพอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเราก็ถึงจุดจบแต่จิตใ จ, จ, ออจ น, ะน้าจะออกจากร่างนั้นเองคือตัวนามธรรมน่นจะออกจากร่างตายแล้วไม่สูญ น, นะเพราะพระเดจจารถาบอกตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกนะอถ้าอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาะทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแนละ้วเราจะเห็นชัดในความรู้สึกของเรา กายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่คนละอันนเมื่อร่างกายแตกตายคนขับรถเมื่อรถหมดสภาพรถขับไม่ได้รถตายคนก็ต้องออกจากรถไปไปหาที่อื่นไปหาซื้อรถคันอื่นแต่ข้อสำคัญโฟเฟอร์คนนั่นแหละในขณะที่อยู่กับรถไปรถมากับรถอยู่ตลอดได้เตรียมการอะไรไว้บ้าง ได้หาทุนอะไรไว้บ้างได้หาเงินไว้ใส่กระเป๋าตัวเองไว้บ้างไหมคิดว่ารถคันนี้จะตายไหมรถคันนี้จะหมดสภาพไหมได้คิดไว้ไหมถ้าคิดว่ารถตัวนี้จะหมดสภาพต้องหาเงินไวนะ้นะคือให้หาบุญเข้าสู่จิตใจเอาไว้นะเมื่อจิตใจของเรามีบุญแล้ว เ, เกิดพบหน้าชาติหน้าเราเอารถใหม่ดีกว่านี้ได้สภาพดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ การว่าตกต่ํานะเหมือนกับขี่รถไปขึ้นทิศเหนือลงทิศใต้กินเหล้าเมายาเที่ยวทำมเรย์เทม า, าไม่ได้คิดว่ารถคันนี้มันจะเสียแต่พอรถเสียเข้าไปแล้วทีนี้หมดสภาพนะอไม่มีเงินในกระเป๋านะผลสุดจั ก, กรยานก็ยังซื้อไม่ได้อีกต่างหากเพราะเห็ุไหลเพราะไม่มีเงินเพราะไม่ได้คิดเอาไว้เพราะว่ารถคันนี้มันจะเสียนะต้องคิดเอาไว้นะ นี่เขาขอให้พวกเราคณะัทธทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนปูดท่าย ง, ง่ายอย่างนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้วิธีการสั่งสมบุญกุศลคืออะไรจให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราไม่ได้มาวัดกัไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาไ น, นี่แหละชีวิตประจาวันของเราให้นั่งภาวนา ภาวนาเนี่ยแหละกูศนมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศินบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้ารักษาศินบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตสงบเนี่ยเป็นมหาศาลที่เดียวเพราะนั้นพวกเราอยู่ที่ใดก็ตามพยายามภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนําเบื้องต้นนั่งภาวนาเสร็จแล้ว อยู่ในห้องพระก็ได้อยู่ในที่สงบสงบในบ้านของเราปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ไว้สักสัก30นาทีเรานั่งอย่างเดียวให้ดูใจของตนเองพุทธโทพุทโทพุทธโทถ้าเราเปิดโทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวกันดังเก้งก้กางขึ้นมาเดี๋ยวสมาธิของเราก็แตกอีก เ, อเสียงโทรศัพท์เสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุมันเสียงนะเป็นเครื่องรบ ก, กวนสมาธิ ไป่าเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันเลยกับสมาธิบางั้นเรื่องเสียงนี่นะเพราะนั้นเราต้องหามุมสงบอมุมสงบพอสมควรนะะไม่ใช่ว่าสงบจริงๆหรอกพอสมควรนะแล้วค่อยนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ตามลําพังก็ไหร้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งคัดสมาดก็ได้นั่งทับเพียบ ก, ก็ได้แต่จะไป น, นอนนะครัานอนแนละ้วมันหลับนอนภาวานานไม่เท่าไหรก่กอ็อกานะบางงานนอนหลับ นั่งภาวนาเอให้สติให้แข้มแข็่งนั้นแหะนี่แหละวิธีการปฏิบัตินะเนี่ยสอนวิธีการภาวนาให้แกพวกเราท่นทั้งหลายภาวนานไม่ใช่ของพระนะถ้าว่าผู้ใดก็าตามต้องการความสุขความสุขความเย็นใจความสุขทางจิตใจให้นั่งภาวนาเ น, นี่แหละภาวนาเนี่ยาลวโยมในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลคื อ, อยาติโยมไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคือภาวนาเนี่แหละะ มาถึงยุคของพวกเราเลยไม่มีครูบาอาจารย์ค่อยสอนกันไม่ได้ให้ทานนะี่ะรักษาศีลเน่ยมันกนะจบนะชวนภาวนาเลอมีน้อยองค์ที่ไอภาวนานะไม่รู้ภาวนาไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันนแต่หลวงพ่อจะแนะแนววิธีการให้ฟังว่าภาวนาที่ทําอย่างไรเดินจงกลมนั้นทําอย่างไรเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็แนะวิธีการเดินจงกลมนะแต่วันนี้แนะแต่ภาวนาก็พอแล้วนะอตอนนี้ไปรับพรอนะัฐนีน่นะ ประสงค์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาปูระ